วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงหยุดหาความสุขที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงคือความสุขปลอมชีวิตเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา มาอบรมสั่งสอนเราก็จะหลงอยู่กับการหาความสุขปลอมกันความสุขปลอมก็คือความสุขทางร่างกายทางราบยศสรรลเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภความสุขจริงก็คือความสุขใจความสุขที่ได้จากการทาทาน รักษาศีลภาวนาความสุขใจเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่มีน้ำหนักเท่ากับความสุข ทางใจเช่นเดียวกับความทุกข์ทางร่างกายก็เป็นความทุกข์ที่ไม่มีน้ำหนักเท่ากับความทุกข์ทางใจถ้าเราสร้างความสุขทางใจเราก็จะดับความทุกข์ทางใจถ้าเราสร้างความสุขทางร่างกายเราก็ ระดับความทุกข์ทางร่างกายได้ชั่วคราวความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้มีน้ําหนักเบากว่าความสุขความทุกข์ทางจิตใจถ้าร่างกายมีความทุกข์ใจแต่ถ้ามีความถ้าร่างกายมีความทุกข์เช่นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจมีความสุข ความทุกข์ของร่างกายจะไม่เป็นปัญหากับใ จ, ใจิตใจไม่เป็นปัญหากับเราเลยแต่ถ้าร่างกายมีความสุขไม่มีความทุกข์แต่ใจมีความทุกข์ความสุขของทางร่างกายนี้ก็จะไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ทางใจ ไม่สามารถทำให้เราไม่เดือดร้อนจากความทุกข์ทางใจได้เลยดังนั้นการหาความสุขทางใจการดับความทุกข์ทางใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับพวกเราเพราะถ้าเราได้ความสุขทางใจเราก็จะได้ความสุขที่ถาวรและได้ดับความทุก ทางใจได้อย่างถท้าวอนไปพร้อมๆกันถ้าเราได้ความสุขทางร่างกายเราก็จะได้ความสุขเพียงชั่วคราวแล้วเราก็จะต้องทุกกับความทุกข์ของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากจะทุกข์ทางกายแล้วก็ยังจะทุกข์ทางใจด้วย เพราะเราไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจดังนั้นการที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นการมาศึกษาวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจดับความทุกข์ทางใจด้วยการหยุดหาความสุขทางร่างกาย หาความหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆเพราะเป็นการหาความทุกข์ไปพร้อมๆกันเนื่องจากลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะและตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นของไม่จีรังถาวร เป็นของที่มีการเจริญและมีการเสื่อมมีการเกิดมีการตายเวลาเกิดความเสื่อมเกิดความตายก็จะเป็นเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ก็จะเป็นเวลาที่จะเกิดความทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าเรารู้จักวิธีดับความทุกข์ทรมานใจรู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจเวลาร่างกายเจ็บค่ายได้ป่วยหรือตายไปใจของเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าเรารู้จักวิธีดับความทุกข์หรือไม่สร้างความทุกข์ทางใจให้เกิดขึ้นนั่นเอง อย่างนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการสร้างความสุขทางใจต่อการดับความทุกข์ทางใจยิ่งกว่าการสร้างความสุขทางร่างกายระดับความทุกข์ทางร่างกายเพราะว่าน้ำหนักมีความต่างกันนั่นเองมีความสุขทางร่างกายแต่ท้าใจมีความทุกข์ ความสุขทางร่างกายก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดแต่ถ้าเรามีความสุขทางจิตใจเวลามีความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับจิตใจเพราะเรามีความสุขทางจิตใจที่มีกำลังมากกว่าความทุกข์ทางร่างกายทำให้ไม่รู้สึกทุกข์กับความ ทุกของของทางร่างกายเลยอันนี้แหละเป็นการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงความสุขทางใจนี้จะเป็นที่พึ่งของเราในยามที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ เ, เกิดเหตุการณ์การดับของสิ่งต่างๆเกิดเหตุการณ์ ของการสูญเสียของการพัดพลาจากสิ่งต่างๆใจที่มีความสุขจะไม่เดือดร้อนจะไม่ถุกกับการพัดพลากจากการดับของสิ่งต่างๆไปเลยเราจึงต้องต่อสู้กับความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกาย หาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางลูกเสียงกลิ่นรสพลตภาเพราะมันเป็นลิสัยที่ฝังมากับใ จ, ใจิตใจเหมือนกับรถที่วิ่งอยู่รถที่วิ่งลงเขาถ้าเราไม่ใช้เบรคเราก็จะไม่สามารถหยุดรถ ไม่ให้วิ่งได้เลยรถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆฉันใดนิ ส, สัยที่เราได้ปลูกฝังมาในแต่ละพบแต่ละชาตินี้เราได้ปลูกฝังไวใ้ให้ไปหาความสุขทางร่างกายกันหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้ากันถึงแม้ว่าเราจะได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้า รู้ว่าความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดการแสวงหาความสุขทางร่างกายได้เเพราะว่าเพียงแต่รู้เฉยๆนี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะ หยุดการหาความสุขทางร่างกายได้เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องบังคับใจต้องฝืนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากหาความสุขทางร่างกายแล้วก็ต้องฝืนใจบังคับใจให้หันมาหาความสุขทางจิตใจเช่นเวลาเราอยากจะ ใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆใช้เงินซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเราก็ต้องฝืนใจไม่ให้ไปซื้อแล้วก็ฝืนใจบังคับให้เอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มาทำฐานมาบริจาคมาแบ่งปัน ให้แก่ผู้อื่นถ้าเราฝืนได้บังคับได้เราจะได้ประโยชน์สองต่อประโยชน์หนึ่งก็คือเราจะตัดกำลังของความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑ์ได้และเราจะสร้างความสงบสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับใจของเราทาให้เรา ไม่ต้องออกไปเที่ยวออกไปใช้เงินทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้อันนี้จะเป็นประโยชน์สองต่อยิงนกกระสุนลูกเดียวได้นกสองตัวในทางตรงเงินข้ามถ้าเราเอาเงินนี้ไปซื้อไปทำตามความอยากของเราเราก็จะได้โทษสองต่อ ในโทษก็คือเราจะเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นหลังจากที่เราไปเที่ยวไปซื้อของเสร็จแล้วพอกลับมาบ้านเราก็จะเกิดความอยากที่จะไปเที่ยวไปซื้อของใหม่เราก็อยู่ติดบ้านไม่ได้เราก็เราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ออกไปซื้อของใหม่แล้วเราก็จะไม่มีเงินมาทำทาน ที่จะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจที่จะทำให้เราอยู่กับบ้านได้อย่างสบายดัยงนั้นการที่เราจะไปในทางของพระพุทธเจ้ารายนี้เราต้องฝืนต้องบังคับใจทุกทุกคนที่จะมาทางของพระพุทธเจ้านี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องฝืนต้องบังคับเช่นเดียวกันถึงจะมาได้ อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็จะมาทางทานศีลภาวนาได้นี้ก็อายุถึงก็2ยี่สิบเก้าปีไปแล้วทั้งๆที่พระองค์ก็ทรงรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ในการทำทานรักษาศีลภาวนาแต่ความอยากที่เคยปลุกฝังมาอยู่ในใจนี้มันก็ยังมีกำลังมาก ที่จะดึงให้พระพุทธเจ้าติดอยู่กับความสุขทางร่างกายความสุขในพระราชวังแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นอนาคตของพระองค์ก็จะทําให้พระองค์นั้นเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาเกิดความเห็นว่าจะต้องทิ้งแล้วความสุขทางร่างกาย เนื่องจากว่าร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปตามลำดำับเนื่องจากพระองค์ได้ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นนักบวชซึ่งเป็นเทวูตเป็นเป็นสิ่งที่มาคอยเตือนใจให้พระองค์ให้ เห็นถึงอนาคตของพระองค์ว่าถ้าอยู่ไปในวงหาความสุขทางร่างกายต่อไปในลายภาคหน้าก็จะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้เพราะร่างกายก็จะค่อยๆแก่ลงไปทอะทะเทียน้อยแลร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถใช้ร่างกาย หาความสุขต่างๆได้เวลาร่างกายตายก็จะสูญเสียความสุขทุกอย่างที่ได้มาจากทางร่างกายไปหมดเมื่อทรงเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยทำให้พระองค์เตรียมพร้อมที่จะออกจากความสุขทางร่างกาย ก็พอดีมีเหตุที่จะทำให้ต้องไปอย่างปัจจุบันทันด่วนคือเมื่อทรงทราบว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสองก็ทรงเห็นว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่มีโอกาสหรือยากที่จะออกจากพระราชวังเพื่อไปแสวงหา ความสุขทางใจได้จึงได้ทรงตัดสินพระไทยในคืนนั้นเลยหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าพระเมเหสีได้คลอดพระราชโอรสมาแล้วทรงเป็นอุทานขึ้นมาว่าลาหุนแปล ว, ว่าบ่วงบ่วงเกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะคล้องคอไม่ให้พระพุทธเจ้าได้ เสด็จออกจากพระราชวังเสด็จไปบำเพ็ญความสุขทางจิตใจพระองค์จึงต้องเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นเลยโดยไม่กล้าที่จะไปดูพระโอรสเพราะทรงรู้ว่าถ้าเห็นพระโอรสแล้วก็จะทําให้ไม่มีความสามารถที่จะ งพระโ อ, โอรสไปได้จึงไ ม, ไม่ไม่ไปดูไม่ไปรักรู้ไม่ไปเห็นพระโอรสทรงสเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นโดยที่ไม่บอกใครเลยไม่มีการกล่าวคำอำลากันเลยเพราะถ้ามีการกล่าวคำอำลากับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็จะถูกทักท้วงอย่างแน่นอนจะถูก หาว่ากำลังหลงผิดบ้างกำลังตัดสินใจไม่ถูกบ้างเห็นแก่ตัวบ้างพระองค์จึงไม่ล่ำลาใครเลยทรงเสด็จออกจากพระราชวังไปไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยนอกจากพร ะ, ะเครื่องทรงที่ได้ส่งไว้เพียงชุดเดียว ทรงอยู่ในพระวรากายแล้วก็อาศัยม้าพาไปกับนายฉันนะพอไปพ้นเกศพระราชวังพระองค์ก็ทรงดำเนินไปตามลำพังและในระหว่างทางที่เดินทางไปสู่ป่าสู่ที่บําเพ็ญก็ได้พบกับขอทานขอทานสวมเสื้อผ้ากระลุ่มกระลิ่ง เห็นเสื้อผ้าอันสวยงามของพระพุทธเจ้าก็อยากได้ก็ส่งก็ขอพระองค์ก็ส่งยินดีสละให้ลากเปลียนเอาเสื้อผ้าของขอทานมาสวมใส่เราก็เอาเสื้อผ้าของพระราชโอรสพระราชทานให้กับขอทานไปนี่แหละคือทานอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่อยากจะหาความสุขทางด้านจิตใจ จะไม่ยึดติดจะไม่หวงกับความสุขทางร่างกายเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกิ่นกายความสุขที่ได้จากการมีประสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยรับใช้คอยบำรุงบำรเลอให้ความสุข ในทุกรูปแบบทรงเห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วขณะที่ได้สัมผัสพอผ่านไปแล้วก็มีแต่ความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวมีแต่ความอยากอยู่ภายในใจที่สร้างความไม่สบายใจสร้างความหมุดหิัสร้างความลำคาญใจให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทรงเห็นโทษของความสุขทางร่างกายเห็นโทษของความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุจจพะว่าเป็นความสุขไม่ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีมามีไปเวลามีก็เป็นความสุขเวลาไปก็ไม่เป็นความทุกข์จึงทาให้พระองค์สามารถ ตัดความสุขทางร่างกายได้หยุดหาความสุขทางร่างกายได้แล้วมุ่งแสวงหาความสุขทางจิตใจผู้ที่จะตามสเสด็จพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราก็ต้องเห็นอย่างเดียวกันต้องเห็นความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นความสุขเพียงนิดเดียวเล็กน้อยแต่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะการจะแสวงหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภานี้ก็ไม่ใช่เป็นของที่จะหาได้อย่างง่ายดายต้องดิ้นรนต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาพอได้มาแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกิดความอิ่มเกิดความพอแต่กลับเกิดความอยากที่จะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกทั้งๆ ท, ง ท, งที่พอมีพอกินอยู่ แล้วแต่ก็ยังไม่พอใจยังอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วพอได้มาแล้วก็ไม่มีความหมายไม่ได้ทําให้เกิดความสุขใจแต่อย่างใดกลายเป็นความจําเจไปเสียอีกทาให้ต้องเปลี่ยนการหาความสุขในรูปแบบต่างๆถ้าได้คนนี้มา พอเบื่อก็ต้องหาคนใหม่มาแทนนี่หละคือความสุขทางตาหูจมูกร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพะอาหารจะให้แสนอร่อยแสนวิเศษขนาดไหนถ้าให้รับประทานทุกวันซ้ำซๆซักซักเดี๋ยวก็เบื่อต้องหาอย่างอื่นหาอย่างอื่นมารับประทานความสุขทางร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอย่างนี้ เป็นความสุขที่นำไปสู่ความเบื่อหน่ายสู่ความจำเจมีก็จามีก็ทุกไม่มีก็ทุกกินของจำเจซ้ำซๆซักซ่า ก, ก็ทุกไม่มีกินก็ทุกนี่คือปัญหาของความสุขที่พวกเราคอยแสวงหากันอยู่ทุกวันนี้ไม่เหมือนกับความสุขที่เราจะได้จากการทำทานจากการรักษาสินจากการภาวนา ถึงแม้จะซ้ำซากทำมากน้อยทำมากขึ้นไปเท่าไหร่จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายจะไม่เกิดความจาเจกกับจะทำให้เกิดมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปทำทานกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็จะไม่เบื่อทำแล้วกับจะทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ร, รักษาศีลได้กี่ร้อยครั้งก็จะไม่เบื่อ จะทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆภาวนานั่งสมาธิกี่ร้อยครั้งก็จะไม่ทำให้เบื่อกลับจะทำให้มีความสุขมากขึ้นจะเริญนปัญญาพิจารณาเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเห็นได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งกลับมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นอันนี้แหละเป็นความสุขที่ แท้จริงเป็นความสุขที่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงไปความอยากน้อยลงไปไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายทางลาบยศ ส, สรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่จะทำให้ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นทำให้ความอยากเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราต้องบังคับตัวเราเอง เมือนกับเราบังคับรถยนต์ที่วิ่งลงเขาเราต้องเหยียบเบรกเต็มให้สุดๆไปเลยให้มันหยุดให้ได้เพราะถ้าเราไม่เหยียบเบรกมันจะแหกโค้งทําให้เราตกเขาตายกันได้เวลารถวิ่งลงเขาเราจรึงต้องคอยแตะเบรกอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่าถ้าปล่อยให้มันวิ่งโดยที่ไม่มีการยับยั้งไม่มีการควบคุมเวลาที่จะ เาโคง้งมันจะเข้าไม่ได้เวลาที่จะหยุดก็เวลาที่จะเป็นจะต้องหยุดเพราะถึงสีแยกอย่างนี้ก็จะหยุดไม่ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่หยุดการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกดินกายทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถัภาเราก็จะพักหรือขับ ชีวิตของเราให้เข้าหาความทุกข์ต่างๆให้ชีวิตของเราแหกโค้งตกเหวให้ฝ่าไฟแดงไปชนประสานงากับรถที่วิ่งมาอีกทางหนึ่งเพราะเราไม่มีเบรคกันนั่นเองดังนั้นเราต้องเบรกใจเราเบรก ค, ความอยากเบรคความอยากที่จะไปหาความสุข ทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะด้วยการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆวันๆหนึ่งนี้ขอให้เราลำลึกอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดา ต้องพัดผ้าจากสิ่งที่รักที่ชอบไปเป็นธรรมดาถ้าคิดอยู่บ่อยๆแล้วมันจะทําให้เราเกิดความกระตือหรือล้นขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราได้เวลา ใช้ร่างกายไม่ได้เราจะรู้สึกอย่างไรเวลาเราเป็นเอามาพลึกเอามาพาดไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจจะมีความทุกข์มากจะอยากจะฆ่าตัวตายเพราะใจไม่มีไม่รู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้าเราได้มาฝึกฝนอบรม ให้หาความสุขทางใจกันโดยไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทําอะไรหาความสุขให้กับเราได้เราก็ยังหาความสุขได้ต่อไปเรายังภาวนาได้ยังทําใจให้สงบได้การทําใจให้สงบนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ร่างกายร่างกายจะ สบายหรือไม่สบายก็ทำได้ร่างกายจะเป็นพิกลพิการไปหรือไม่พิกลพิการก็ยังสร้างความสุขนี้ได้อยู่เพราะการสร้างความสุขนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายสิ่งที่ต้องใช้ก็คือสติสตินี้เป็นเหมือนร่างกายของการหาความสุขทางจิตใจเราต้องมีสติเราถึงจะสร้างความสุขทางจิตใจได้ ถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับไม่มีร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะได้ไม่มีสติก็ไม่สามารถหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เกิดจากความรู้ความฉลาดของใจได้ดังนั้นเราต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ถ้าเราอยากจะ สร้างความสุขทางใจสร้างความสงบทางใจสตินี่แหละเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดพระพุทธเจ้าทรงเน้นทรงย้ำถึงความสาคัญของสตินี้เป็นอย่างมากทรงเปรียบเทียบ ว, ว่าสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าของสัตว์ของรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ลอยเท้าของช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดที่เดินอยู่ในโลกนี้ได้ทรงเปรียบเทียบถึงว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมาธิธรรมปัญญาธรรมหรือวิมุตติธรรมการดุจพลยาไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสติเป็นผู้นา เป็นผู้ให้กำเนิดสตินี้จึงเป็นเหมือนพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายเป็นพ่อแม่ของสมาธิเป็นพ่อแม่ของปัญญาเป็นพ่อแม่ของมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นดังนั้นถ้าเราจะหาความสุขทางใจหาความสงบทางใจเราต้องหาสติให้เจอ เราต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนการสร้างสตินี้ก็สามารถสร้างได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในวัดอยู่ที่ไหนก็สร้างสติได้ถ้าอยากจะสร้างแต่ความยากไ่ายนั้นมีต่างกันแน่นอนถ้าสร้างสติในที่สงบที่ห่างไกลจากคนดัง ทางจากกาจากคนจากเรื่องราวต่างๆ <c oughs> ก็จะสร้างขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าอยู่กับคนอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ <c oughs> เพราะเหตุการณ์ต่างๆจะดึงใจให้ลอยไปหาจะไม่สามารถทําให้ใจตั้งมั่นให้อยู่กับปัจจุบันได้ให้อยู่กับความนิ่งได้ จะต้องหมุนไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาต้องคิดปรุงแต่งไปกับเรื่องราวต่างๆหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้แต่เราก็ยังสามารถทำได้ในระดับหนึ่งเพราะเราก็ไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์อยู่กับคนตลอดเวลาเช่นเวลาที่เราอยู่บ้านตอนเช้าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเตรียมตัวที่จะออกไปนอกบ้าน ไปทําภารกิจต่างๆตอนนั้นเราก็จะหลอนสติได้แล้วพอตื่นขึ้นมาก็ดึงใจเอาไว้ควบคุมใจเอาไว้แตะเบรกไว้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นคิดที่เรื่องไร้สาระต่างๆถ้าจะคิดในเรื่องที่จําเป็นก็ปล่อยให้คิดได้เช่นเวลา คิดว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวเตรียมการอะไรบ้างอันนี้ก็คิดได้คิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็มาควบคุมความคิดจะควบคุมด้วยการบริกรรมพุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธมันสั้นเกินไปก็เอาพุทโธธรมโมสังโฆก็ได้ ถ้ายัางสั้นเกินไปก็เอาพุทธังสรารนังกะชามิธรรมสารนั ง, ะนงกะชามิสังฆังสรารนังกะชามิไปก็ได้ให้ใจมีงานทำให้คิดในเรื่องที่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเรื่องมีดาวคิดในเรื่องที่ไม่ได้ทำให้เกิดความพุ่งซ่านเกิดอารมณ์ต่างๆคิดอย่างนี้แล้วใจจะนิ่งใจจะไม่ลอยไปลอยมากับ อดีตกับอนาคตถ้าปล่อยให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เดี๋ยวใจก็จะลอยไปลอยไปหาอดีตบ้างลอยไปหาอนาคตบ้างแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากจะไปทําสิ่งนั้นอยากจะไปทําสิ่งนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้ใจก็จะไม่นิ่งจะไม่สับแต่ว่ารู้เป้าหมายของการ ตะเดินสติก็เพื่อให้ใจสักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรตอนนี้กำลังอยู่ที่ไหนให้รู้แค่นี้พอแล้วทาหน้าที่อะไรก็ทำไปอาบน้ำก็อาบไปรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารไปเดินทางไปทำงานก็เดินทางไปแต่ใจจะไม่ไปจากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น จะอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นหรือถ้ามันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้การบริกรรมพุทโธเดึนกลับมาพุทโธพุทโธไปพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธังสรานาังกชามิธรรมังสรานาังกชามิเดินกลับมาใหม่ๆก็อาจจะยากเพราะว่าใจเป็นเหมือนกับดิงที่ไม่เคยถูกควบคุมบังคับ มันก็จะไปตามเรื่องของของมันเชือกที่เราผูกคอมันไว้ก็เป็นเชือกกล้วยมันกระตุกทีเดียวก็ขาดสติของเราใหม่ๆนี้เป็นเหมือนเชือกกล้วยพอพุโทโธได้สองสามคำก็หายไปละลืมไปละเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อแล้วแต่ถ้าเราพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆบังคับไปเรื่อยๆต่อไปเชือกมันก็จะเป็นเส้นใหญ่ขึ้น มีความแข็งแรงมากขึ้นต่อไปก็จะดึงความคิดไม่ให้คิดไปไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วต่อไปก็จะควบขุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะสงบได้อย่างรวดเวร็วเวลานั่งหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็จะไม่คิดเรื่องอะไรอยู่กับการบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียว เดี๋ยวเดียวห้านาทีสิบนาทีใจก็เข้าสู่ความสงบถ้าไม่ได้เจริญสติมาก่อนไม่ได้พุโทโธมาก่อนเวลามานั่งสมาธินี้ใจก็จะไปรอบโลกเลยไปรอบจักรวาลพุโทโธได้สองคำแล้วก็ไปแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอนั่งไปสักพักก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาเกิดอารมณ์เอ เกิดความอยากจะลุกไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็จะทนนั่งอยู่ไม่ได้ใจก็จะไม่สงบพ อ, อไม่ได้นั่งนั่งสมาธิไม่ได้ผลก็เลยยอมแพ้ไม่ยอมนั่งสมาธิต่อไปพอดีมีคนมาสอนว่าไม่ต้องนั่งยิ่งดีใจใหญ่ก็เลยหลงไปกับคนที่เขาสอนใช้ปัญญาเลย ให้ปัญญาควบคุมกิเลสทําใจให้สงบเลยในเมื่อเราควบคุมความคิดไม่ได้เราจะควบคุมบงังคำให้ใจไปคิดทางปัญญาได้อย่างไรถ้าคิดทางปัญญาก็ต้องคิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายต้องตายต้องตายวันหนึ่งเราคิดถึงความตายสักกี่ครั้งกันมันไม่คิดเลย นี่แหละปัญญาถ้าอยากจะใช้ปัญญาก็ต้อง enrolled, oons, ะคิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายต้องตายต้องตายคิดมันทั้งวันว่าต้องตายต้องตายคนนั <tasting> ้น sí ก็ต้องตายคนนี้ก็ต้องตายถ้าไม่เน้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องตายหมดมันก็จะดับความอยากได้มันก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันอยู่ดีถ้าอย่างนี้มันก็จะทาใจให้นิ่งได้ทาใจให้สงบได้ แต่ถ้าไม่ใช้ความจริงมาสอนใจมันก็จะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้เราไม่ค่อยได้คิดถึงความจริงกันคืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังคือความทุกข์เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสแสวงหากันนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเสื่อม เวลามันเจริญก็ดีมันสุขดีเวลาได้เงินมานี่ดีออกดีใจกันเวลาสูญเสียเงินทองไปนี่เศร้าโศกเสียใจกันร้องห่มร้องไห้กันเนี่ยคือความไม่เที่ยงไม่เห็นส่วนที่เสื่อมเห็นแต่ส่วนที่เจริญคิดแต่คิดถึงแต่ส่วนที่จเจริญแต่ไม่คิดถึงส่วนที่เสื่อมเวลาเกิดส่วนที่เสื่อมขึ้นมาก็กิดความทุกข์ใจขึ้นมา เวลานั้นก็สายไปเสียแล้วต้องเจ็บต้องทุกข์แล้วแต่ถ้าคิดไว้ล่วงหน้าก่อนก็จะได้ไม่ไปหาไม่ไปยึด ต, ติดกับทรัพย์สมบัติเงินทอง<ม>เวลาสืสูญเสียไปก็จะไม่ทุกข์<ม>การที่จะไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองก็ต้องไม่ใช้เงินทองเท่านั้นถ้าใช้เงินทองมันก็ต้องทุกข์เวลาไม่มีใช้มันก็ต้องทุกข์ หรือว่าถ้าจะใช้ก็ต้องใช้น้อยที่สุดใช้กับสิ่งที่จำเป็นก็คือใช้กับปัจจัยสี่ซึ่งเราก็ส่วนใหญ่ก็สามารถรักษาเงินทอวในระดับนี้ได้กันหรือว่าถ้ามันหมดไปก็ไม่ลำบากต่อการหาใหม่ออกไปทำงานวันเดียวก็ได้แล้วค่าค่าค่ากับข้าวค่าอาหารมารับประทานทำให้พออยู่ได้ บ้านเราก็มีอยู่แล้วเสื้อผ้าเราก็มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เดือดร้อนมากถ้าเราใช้เงินทองไปกับการซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารมารับประทานอย่าใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเพราะว่าเวลาไม่มีเงินทองไปซื้อนี่จะหงุดหิดตำคานใจอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านก็มีแต่ ความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปข้างนอกก็ออกไปไม่ได้เพราะไม่มีเงินจ่ายข้าวรถไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งที่อยากจะดื่มอยากจะรับประทานแต่ถ้าเราเปลดทำใจให้สงบถึงแม้เราจะอดอยากขาดแคลนอดมือ้อกินมือ้อเราก็ยังมีความสุขได้เพราะเราสร้างความสุขที่มีกำลัง เีนน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ทางร่างกายร่างกายอาจจะทุกข์เพราะอดข้าวอดข้าวปลาอาหารไม่ได้กินวันละสามมื้ออาจจะได้กินเพียงวันละมือ้อแต่ใจถ้านั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ก็จะไม่เดือดร้อนความสุขทางใจนี้ยิ่งใหญ่กว่ายิ่มมากกว่าความความความสุขทางร่างกายหรือความทุกข์ทางร่างกาย ทำให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดกับใจที่มีความสุขทางใจอันนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้เราหยุดหาความสุขทางร่างกายกันแล้วให้เรามาหาความสุขทางใจกันทุกครั้งที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขก็ เปลี่ยนใจเอามาซื้อความสุขทางใจดีกว่าเอามาทำบุญทำทานทำกับใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดถึงจะได้ความสุขทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ความสุขถ้าพ่อแม่เดือดร้อนเราทำให้พ่อให้แม่เราจะมีความสุขใจทำให้กับใครก็ได้ที่เขาทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเห็นคนที่เขาทุกข์นั้นมีความสุขก็จะทาให้เรามีความสุขแล้ว มีความอิ่มใจหรือถ้าเราอยากจะซื้อเสื้อผ้าที่สวยงามที่เห็นตามร้านยังอดยังยังหยุดความอยากซื้อไม่ได้ก็ซื้อมาซื้อมานะแต่อย่าใส่เอาไปให้คนอื่นดัดนิสัยมันดัดัดความอยากซื้ออยากจะซื้ออยู่ชุดซื้อมันมาให้หมดเลยซื้อมันหมดกระเป๋าเลยแล้วก็ไปแจกคนที่เขาไม่มีกัน เอาไปให้ขอทางข้างถนนนี่เธอเอาชุดนี้ไปใส่ไปเวลานั่งขอทานคนก็จะได้ไม่ดูถูกดูแคลนเราเห็นคนที่ก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เราได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆเราจะมีความสุขใจมากกว่าที่เราใส่เองไม่เชื่อลองทําดูเลยลองเห็นคนไหนที่เสื้อผ้าเขาขาดขาดน่าสงสาร เสืส้อผ้าสวยๆที่เราอยากจะใส่เนี่ยซื้อมาให้ก็ใส่เลยแล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วเราอยากจะอยากจะใส่เสื้อผ้ากาดขาดเพราะเราจะเห็นว่าใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้ากาดขาดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรามีความสุขใจเหมือนพระพุทธเจ้าขอทานขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เปลี่ยนให้เลยในั่นจัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นมีความสุขในการที่จะให้ความสุขแก่ผู้อื่น คนอื่นเดือดร้อนคนคนอื่นมีความทุกข์อดอยากขาดแคลนก็พร้อมที่จะช่วยเหลื อ, อนี่คือการทําทางที่แท้จริงพวกเราอาจจะมุ่งไปที่การทําทางกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพียงอย่างเดียวว่าเราเคยถูกสอนมาให้คิดว่าทําบุญจะได้บุญนี้จะต้องทํากับพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นแต่ความจริงทํากับใครก็ได้อความสุขใจนี้มันได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าถ้าเราทำกับพระสงฆ์อง์เจ้าที่ทรงศีลทรงธรรมเราจะได้ของแถมได้ของแจกเหมือนกับเราไปเติมน้ำมันนอกจากได้น้ำมันแล้วเราก็จะได้ของแถมจากสถานบริการด้วยสถานบริการบางสถานที่เขามีแต่น้ำมันอย่างเดียวไม่มีของแถมของแจกเราก็จะไม่อยากเข้าไปเราอยากจะไปที่เขามีของแจกอาจจะมีแจกบางวันเสี่ยงโชค เสีงไทยอะไรเหมือนซื้อของเนี่ยถ้ามีฝามีเผลอที่มีดังวัลให้อันนี้ก็แบบเดียวกันการที่เราไปทําบุญกับประสองค์ของเจ้าที่ทรงศีลทรงธรรมก็เพราะว่าเราอยากจะได้ของแจกอนอกจากได้ได้บุญได้ความสุขใจแล้วเราอยากจะได้ของแถมที่มีคุณค่ากว่าบุญที่เราทําเอำ ของแทนที่มีคุณค่ากว่าบุญที่เราทําก็คือธรรมะแสงสว่างแห่งธรรมนผู้ใดได้ไดฟังเทศฟังธรรมกับพุทธเจ้านี่มีดวงตาเห็นธรรมมนุษยเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเลยหลุดพ้นจากอบายได้อย่างถาวรเลยเพียงฟังธรรมหนเดียวเท่านั้นเองเช่นพระอัญญาณโกนทัญญาเนี่ยครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนา พอฟังเสร็จก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากจะได้พอไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้ก็หายจากความทุกข์หายจากความกลัวความเสื่อมกลัวความตายไปอันนี้แหละเป็นรางวัลอัน เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญที่ได้จากการใส่บาตรให้กับพระพุทธเจ้าถ้าใส่บาตรให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ความสุขใจว่าวันนี้ได้ไปใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ตาก็ยังมืดบอดอยู่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าใจเย็น ใส่บาตเสร็จแล้วก็นั่งรอให้ฟังเทศฟังธรรมก่อนกลับบ้านพ อ, อฟังแล้วก็อาจจะเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาได้อันนี้ต่างหากความหมายของการทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ที่ทรงศีลทรงธรรมจะได้บุญมากกว่าการทําบุญกับบุคคลธรรมดาทั้งหลายแต่ถ้า ทำบุญไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็เท่ากันทําบุญกับพระพุทธเจ้าทําบุญกับพ่อกับแม่ทาบุญกับสุนัข ก, ก็ได้บุญเท่ากันอให้กับข้าวกับปลาสุนักที่เดินโซซัดโซเซมาไม่มีอาหารรับประทานสงสารมันให้อาหารมันกินไอ้มันกินอิ่มแล้วเราก็มีความสุขใจก็เหมือนกับเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอได้เสวยแล้วพระองค์ก็ทรงมีความอิ่มเต เราก็เกิดความสุขใจว่าอ้เราได้ถวายพระพญาหานนั่นกับพระพุทธเจ้านความสุขใจความรู้สึกการนี้เท่ากันไม่ว่าจะทํากับใครก็ตามถ้าทําด้วยความเมตตากรุณาคือทําโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนทําเพื่อสงเคราะห์ผู้ที่รับเท่านั้นต้องการให้ผู้รับมีความสุขจากการให้ของเราดังนั้นผู้ให้ยึงไม่สําคัญว่าจะเป็นใคร ขอให้เขาเดือดร้อนเท่านั้นเองขอให้เขาลำบากยากเอดอยากขาดแคลนล้วลําช่วยแบ่งเบาหรือลดความอดอยากขาดแคลนของเขาลงไปให้เขาได้มีความสุขขึ้นมาเราเห็นเขามีความสุขเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ทํากับใครก็ความความสุขในใจนี้ก็จะเป็นเหมือนกัน เห็นสุนัขให้อาหารสุนัข ก, ก็มีความสุขเห็นขอทานให้อาหารขอทานก็มีความสุขเห็นพ่อแม่ไม่มีอาหารรับประทานเสื้อาหารมาให้พ่อแม่รับประทานก็มีความสุขใจเหมือนกันอันนี้เรียกว่าบุญคือความสุขใจแต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้ที่เราทําบุญด้วยนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของเขาว่าเขามีอะไรจะ แถมให้เราหรือเปล่าถ้าสุนัขมันก็จะเห่าให้เราเข้าบ้านให้เราถ้าขอทานก็จะยกมือไหว้เราขอบจบขอบใจเราแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านก็จะให้ธรรมะเราสอนให้เราเห็นทุกข์เห็นอริยสัจสี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนให้เรารู้จักวิธีที่จะทําให้เรา หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้รับตอบแทนจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยดังนั้นถ้าเราต้องการบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมต้องไปฟังต้องไปทำบุญกับคนที่มีธรรมะมีธรรมะสูงเท่าไหร่ก็จะได้ธรรมะมากขึ้นไปเท่านั้น ถ้าทําบุญกับพระโสดาบันก็จะได้ธรรมะระดับโสดาบันเท่านั้นจะไม่ได้ธรรมะระดับสกิดาคามีอนาคามีระดับพระอรหันต์ถ้าทําบุญกับพระสกิดาคามีก็ได้ระดับสกิดาคามีทําบุญกับพระอนาคามีก็ได้ระดับอนาคามีเป็นอย่างมากถ้าทําบุญกับพระอรหันต์ก็จะได้บุญในระดับพระอรหันต์เคยจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ครับ แต่ถ้าทําบุญกับพระสวัสดาบาล น, นี้จะไม่สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้จากการฟังธรรมของพระสวสดาบาลเพราะพระสวสดาบาลยังไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองเหมือนกับเรียนหนังสือกับอาจารย์ที่จบปริญญาตรีก็จะได้ความรู้ระดับปริญญาตรีเป็นอย่างมากจะรับจะไม่ได้รับความรู้ระดับปริญญาโทหรืรอปริญญาเอก ถ้าอยากจะได้ปริญญาโทก็ต้องเรียนกับอาจารย์ที่จบปริญญาโทมาแล้วถ้าอยากจะได้ปริญญาเอกก็ต้องเรียนจากอาจารย์ที่จบปริญญาเอกมาแล้วเท่านั้นนี่คืออา น, นิสงผลประโยชน์ที่จะได้รับต่างกันจากบุคคลต่างๆที่เราทำบุญหรือทำทานด้วยแต่ความสุขที่เราให้แก่ผู้อื่นนี้มันจะกลับมาเท่ากันหมด ให้กับพระพุทธเจ้าให้กับบุคคลธรรมดาให้กับเดวะฉานความสุขที่เราให้เขาไปความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราเท่ากันหมดคือความสุขใจอิ่มใจแต่ จ, จะไม่ได้ธรรมะไม่ได้แสงสว่างไม่ได้ปัญญาถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าผู้ที่เราทาบุญ ด, ด้วยไม่มีธรรมะไม่มีแสงสว่างก็ไม่สามารถที่จะให้แสงสว่างกับเราได้ ท่านจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าทําบุญกับคนธรรมดาได้หนึ่งเท่าได้แสงสว่างหนึ่งเท่าทําบุญกับคนสงศีลได้สองได้สิบเท่าทําบุญกับผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยะทําบุญกับพระโสดาบันได้ร้อยเท่าพระสกิราคามีได้พันเท่าก็คือได้แสงสว่างนี้ได้ความรู้ที่จะมา ทำลายความหลงความมืดบอดที่มีอยู่ภายในใจของเราที่ยังไม่เห็นความจริงของความสุขของความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจที่ไม่เห็นอริยาศาศาสัจสีไม่เห็นตายรักไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอฟังเทศจากพระอริยเจ้าแล้วท่านจะแสดงเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวพระอริยเจ้านี้ท่านจะไม่พูดเรื่องอื่นท่านจะไม่พูดเรื่องกับพี่นิหารเรื่องเหาะเหินเดินอากาศ เรื่องดำดินเรื่องเลขเรื่องหวยเรื่องเบอร์เรื่องอะไรต่างๆนี้ท่านจะไม่พูดท่านจะพูดแต่อริยสัจสีพูดแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกสมุทัยนิโรธมากเราสอนให้เจริญมากให้มากๆให้ทำทานให้มากๆให้รักษาศีลให้มากๆให้ภาวนาให้มากๆเพราะอันนี้จะทําให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาภายในใจจะทําให้เห็น เห็นเห็น <Je> ว <ans> ่าความทุกข <bleiben> ์นี <centre> ่เกิดจากความอยากของเราเองถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากของเราถ้าหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขนท่านี้เองก็จะหยุดได้นี่คือการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อมาทําให้หูตาสว่างให้เห็นว่า ปัญหาของเรานี้ไม่ไดีที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองความทุกข์ทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ลินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ที่การแก่การเจ็บการตายแต่อยู่ที่การอยากของเราเท่านั้นเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากให้ลินฟ้าอากาศเป็นไปตามความต้องการของเราพอไม่เป็นไปาตามความต้องการก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็ต้องมาสอนใจให้หยุดความอยาก ให้อยู่กับความจริงอย่าอยู่กับความอยากอยู่กับความอยากเราจะเกิดความทุกข์ถ้าอยู่กับควา ม, drilling, ว จ, มจริงเราจะไม่เกิดความทุกข์ความจริงก็คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไปถ้าอยู่กับมันได้จะไม่ทุกข์กับมันอย่างแน่นอนจะหลุดพ้นจากความทุกข์จะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าทางร่างกายจะเป็นอย่างไร ทางรอบยศจะละเสริญจะเป็นอย่างไรจะไม่เดือดร้อนราบยศจะละเสริญจะเสื่อมไปหมดไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปจะไม่เดือดร้อนเพราะใจะอยู่กับความจริงเสมอรับความจริงได้ไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่น น, นี้แหละคือวิธีที่จะทําให้ใจของเรามีแต่ความสุขดับความทุกข์ทั้งหลาย หรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทรมารยเกิดขึ้นมาภายในใจของเราเพราะความทุกข์มันเกิดจากการผลิตของเราเราผลิตมันขึ้นมาเองถ้าเราหยุดผลิตมันแล้วมันก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาการผลิตความทุกข์ก็คือการผลิตความอยากนี่เองเพะเกิดความอยากปั๊บนี่ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทียังมันยังไม่ทันได้ของที่อยากได้ก็ทุกข์แล้วเพียงแต่อยากจะถูกลอตเตอรี่แค่นี้ก็ทุกข์แล้ว กระวนกระวายกระสับกระใสนั่งคอยคอยดูเลขคอยดูเบอร์ที่แทงว่ามันจะถูกหรือเปล่ากินไม่ได้นอนไม่หลับความอย่างแต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่กระสนใจอ้าช่างหัวมันจะถูกก็ถู ก, ไ ม, ถกไม่ถูกก็ไม่ถูกอันนี้ก็จะไม่เดือดร้อนอะไรถูกก็ดีไม่ถูกก็ดีอยู่กับความจริงเราอยู่กับความจริงการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่นี้ขออุโมทนาให้พรยะถาวาบิวาหาปุราปาลุปุเรนติสาขาลังเอวามวาอิโตทินางเปตานางอุปัปปติอิชิตังปฏิตังตุนอังคิปะเมวาสมิจตุสพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสภีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีธีพายุโกภวะอภิวาทานสีลิศดิจังวุฒาปะจายิโนจตารโธรรมาวัฏานติ อายุวโนสุขังพาลังใครยังไม่ได้หนังสือหรือแผ่นซีดีก็เชิญมาหยิบได้นะมีแผ่นใหม่ธรรมะบนเขาแผ่นที่สองออกมาแนละ้ว เล่มเก่าๆนีม้มีสองที่ถ้าเป็นจุลธรรมนำใจนี่ไปติดต่อที่โรงพิมพ์ได้ในหนังสือจุลธรรมจะมีเบอร์โทรศัพท์ถ้าท่านชุดของกำลังใจนี่ต้องติดต่อกับอีกท่านหนึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ให้เดี๋ยวมาหยิบวันนี้มีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่า เค้วก็อไม่ได้ก็ถามรู้ถามว่าแม่ท้าแล้วถ้าว่าเอ่อถ้าพวกก็หลองตายแล้วจะไปไหนไปไหนคะก็ไปตามบุญตามบาปเขาเหมือนกันเราเนี่ยแหละไปตกโลกที่เดียวกันก็ไปทำบุญใครทบาปไปเที่ยกันไม่ต่างกันเือเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโลกทิพย์ด้วยกันทั้งหมดนะเพียงแต่จะอยู่ชั้นไหนมันอยู่คอนโดตึกเดียวกันเนี่ยจะอยู่ชั้นสูงหรืออยู่ชั้นต่ำใจเรานี่อยู่ในโลกทิพย์ โลกทิพยนี่ก็เหมือนคอนโดอันนึงที่พวกเราอยู่กันเนี่ยที่เราจะขึ้นชั้นชั้นสูงชั้นต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันถ้าเราทำบุญเราก็จะขึ้นไปอยู่ชั้นชั้นบนถ้าเราทำบาปเราก็จะลงไปอยู่ชั้นล่างชั้นล่างก็จะมีความร้อนมีความวุ่นวายชั้นบนก็จะมีความเย็นมีความสงบยังไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาไหนก็เหมือนกันหมดเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉาน Lan, <ๆ>ก็เหมือนกันหมด ใจของเราตัวเราที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจอยู่ที่โลกทิพย์โลกทิพย์นี้ก็คือคอนโดอันใหญ่ให่ที่สัตว์โลกทั้งหลายอาศัยกันอยู่เนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ น, นลงลงกันไปเหมือนเราขึ้นเล็บลงเล็บเนี่ยช่องนี้วันนี้เรามาขึ้นเล็บกันมาทําบุญมาฟังเทศฟังธรรมเราก็นั่งเล็บขึ้นชั้นสูงเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินเล่ากันไปเดี๋ยวก็ลงไปชั้นล่าง ช่วงนี้ยังขึ้นขลงลงอยู่นะแล้ใจของเราเป็นอย่างเนี้ยฉัินึงมีคําพูดว่าอะไรนะมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทพใจเป็นพรหมใจเป็นเดชานใจเป็นเปรตใจเป็นนรกมันเป็นที่การกระทําของเราเวลาเราทําบุญมันก็เป็นมันก็เป็นเทพนั่งสมาธิก็เป็นพรหมเวลาโปรงอนิจังทุกขังหน้าตาได้ก็เป็นพระอริยเจ้า เวลาทำบาปก็เป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างใจของเรามันเป็นทันทีมันไม่ต้องมารอให้ร่างกายนี้ตายไปก่อนร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเป็นเทพเป็นพรมไปแล้วอย่างพระพุทธเจ้าวันวันเพ็ญเดือนหกนี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนิพพานไปแล้วถ้าถ้านั่งลิฟต์ก็ขึ้นชั้นชั้นสูงสุดแล้ว เห็นวิวสวยอยู่บนหลังคาเลยเนะี่ยชั้นนิพานเนะี่ยเห็นทุกอย่างแต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้เป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจากเจ้าชายสิทธัตถะที่เป็นเทพเวลาจะออกบวชนี่ก็เป็นเทพแล้ะรักษาศีลทำทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองออกบวชนี่ก็เป็นเทพแล้ะพอนั่งสมาธิได้ก็เป็นพรหมละ พอพิจนารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจสี่ปองได้ตัดสังโยชน์ได้ก็เป็นพระบุอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบานันพระสกิดาคามีไปจนถึงพระอาหารหันต์เนี่ยอันนี้หลักใจของเราอยู่ที่เดียวกันหมดทุกพทุกชาติทุกภาษาและไม่ใช่แต่เฉพาะสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นอยู่ในโลกอื่นในจักรวาลดวงอื่นมันก็ยังมีมนุษย์อย่างพวกเราอยู่เยอะแยะไป แต่ใจมันอยู่ที่เดียวกันหมดเขาเรียกว่าอยู่ในโลกทิพย์แต่ร่างกายอยู่ในโลกกระท่าฉะ mm hmm. นั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาไม่สำคัญอยู่ที่ว่าทำอะไรทำบุญหรือทำบาป mm hmm. ทำบุญก็ขึ้นสูงทำบาปก็ลงต่ำนะอ่าใช่เพราะเราไม่รู้ไง อ่าเราไม่รู้เราไม่เคยศึกษาถ้าเราภาวนาเราจะเข้าใจเราจะเห็นใจของเราพอเห็นใจของเราแล้วเราก็จะเข้าใจว่าสัตว์ทั้งสัตว์โลกทั้งหลายก็มีใจแบบเดียวกันทั้งหมดใจของเราทุกคนเหมือนกันหมดต่างตรงที่ว่าสะอาดมากสะอาดน้อยสกปรกมากสกปรกน้อยถ้าโลภโมโทสารมากทำบาปทำกรรมมากก็สกปรกมาก ถ้าลบโมโทสันน้อยทาบุญรักษาศีลภาวนามากก็จะสะอาดมากนะการมาภาวนามานั่งสมาธิมารักษาศีลมาทำทานนี้ก็เป็นการมากลั่นกรองใจของเราให้สะอาดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันน้ําดีๆนี่ใจของเราน้ําเราจะทำให้มันเปื้อนก็ได้ทาให้มันสะอาดก็ได้น้ำน้าเปื้อนเราจะททำให้มันสะอาดก็ได้นะ เ, เ, รดไดเราก็หาที่กรองมา เช่นเดี๋ยวนี้น้ำปลาปาบางแห่งมันสกรปรกมีตะกอนมีอะไรมากเราก็ซื้อเครื่องกรองมากรองเหมือนเราก็จะได้น้ําสะอาดน้ําสะอาดพอตกลงมาบนท้องถนนมันก็กลายเป็นน้ําสกรปรกไปเช่นฝนน้ําฝนนี่เป็นน้ําที่สะอาดพอตกลงมาจากฟ้ามาถึงดินมันก็ไปคุกเข่ากับฝุ่นกับดินกับของปฏิกูลต่างๆ มันก็กลายเป็นน้ำสกปรกไปต้องบำบัดกันบำบัดน้ำเสียกันการบำบัดก็เป็นการกรองเองเป็นการกรองน้ำให้มันสะอาดขึ้นมาเนี่ยการทำทานการรักษาสีการภาวนานี้เป็นการกรองใจของเราให้สะอาดส่วนการทำบาปการทำความโลภทำตามความโลภทำตามความโกรธทำตามความหลงนี่จะทำให้ใจของเราสกปรกเพิ่มมากขึ้นไป ใจสกปกก็จะมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปใจที่สะอาดก็จะมีความสงบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปใจของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ใจของเราจะนับถือศาสนาในก็เหมือนกันทุกศาสนาจึงสอนคล้ายๆกันสอนให้เรามากรองใจเพียงแต่ว่าศาสนานี้ก็เป็นเบอร์ษัตยที่ผลิตเครื่องกรองออกมา มัยสตารโสษฐ์ก็มีความสามารถกรองน้ำได้สะอาดไม่เท่ากันศาสนาส่วนใหญ่ก็จะกรองได้เพียงขั้นระดับพรมเท่านั้นเองเพราะว่าไม่มีใครจะรู้ระดับของพระอริยเจ้าได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี่จะกรองแบบละเอียดสุดเลยกรองหมดเลยแต่ศาสนาอื่นนี่ยังไม่สามารถกรองความโลภ ค, ความโกรธความหลง ให้หมดไปได้เป็นพรมก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เป็นเท่ก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เพียงแต่ว่ามีทานมีศีลมีสมาธิคอยเบรกมันไว้เ่นั้นเองคอยคุมมันไว้มันก็เลยไม่ไปทำบาปพวกที่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิเนี่ยพวกนี้จะไปทำบาปกันเพราะความโลภความโกรธความหลงมันจะผลักดันให้ไปทาเพราะไม่มีเบรก ไม่มีทานมาคอยเบรกอย่างที่บอกแทนที่จะเอาเงินมาทําบุญก็เอาไปเที่ยวกันไปกินเหล้าเมายากันกินเหล้าเมายาแล้วก็เหมืนเมาแล้วก็เกิดกรารทะเลาะวิวาสกันไปทําบาปทํากรรมกันขึ้นมาศาสนาทุกศาสนาจึงสอนให้เลิอกอบายามุขเท่านั้นไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามของฝรั่งของแขกก็สอนแบบเดียวกันสอนไม่ให้ไปเสพจุลายาเมาไม่ให้ไปเรื่องการพ น, นัน ไม่ให้ไปเที่ยวกลางคืนไม่ให้ไปทำบาปไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดต่อวินีเหมือนกันทุกศาสนาศาสน า, า, าสอนให้สวดมนต์ไหว้พระเหมือนกันน้องน้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็เป็นการสวดมนต์ของเขานั้วแหละสวดแล้วก็ทําให้ใจเย็นสบายไม่ไปคิดถึงเรื่องของความโลภความโกรธความหลงบางศาสน า, า, าก็ให้นับลูกประคำ อันนี้ก็เป็นการทําสมาธิเป็นการเจริญสติเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเทวดาดังนี้ถ้าตายชาตินี้เป็นเทพหรือเป็นเทวดาหรือว่าผู้ที่เป็นเทพหรือพรหมเนี่ยเป็นพระอริยะหรือยังถ้าเป็นเทพเป็นพรหมนี่ยังไม่เป็นพระอริยะเป็นพุทุชนอยู่แต่ถ้าเป็นพระอริยะนี่ใจจะไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่เสื่อมลงมาเป็นปุถุชนถ้าเป็นเทพก็จะอยู่เป็นเทพไปคือคือว่าเราอันนี้เราก็ยังไม่ได้พิจารณาว่าในทางทางร่างกายนี้เช่นพระโสดาบันนี้ตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยีกไม่ว่าจะเป็นเทพแล้วก็บรรลุเป็นขั้นธรรมที่สูงขึ้นไปตามลำดับหรือไม่อันนี้เราก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้พิจรารณา ถ้ามองทางด้านจิตใจนี่จิตใจของท่านเป็นเป็นเป็นโสวดาบันคือเป็นขั้นที่ว่าไม่ไม่เสื่อมลงไปเกิดไปเป็นอบายไปในอบา ย, บายเพราะท่านจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดแต่ว่าท่านจะมาเป็นมนุษย์หรือไม่หรือว่าจะเป็นเทพแล้วก็ภาวนาต่อไปหรือไม่นี้อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้พิจารณาก็ ถ้าทาที่เคยลองพิจารณาดูว่าคิดว่าถ้าเป็นโสดาบันแล้วเมื่อตายไปถ้าเกิดก็เกิดเป็นเทพก็ได้แล้วก็พอนาต่อไปก็จะขึ้นจากเทพก็ขึ้นไปเป็นพรมแต่เป็นเทพที่ไม่เสื่อมเป็นพรมที่ไม่เสื่อมไม่เหมือนกับเทพกับพรมที่ได้จากการทำทานรักษ า, าศีลนั่งสมาธิอันนี้มันจะเสื่อมได้เพราะมันใช้กำลังสติไปกดเอาไว้ แต่การเป็นเทพเป็นพรหมของพระโสดาบันพระอนาคามีนี้มันเป็นด้วยปัญญาเมื่อเป็นด้วยปัญญามันจะไม่เสื่อมลงมาจากเทพถ้าเป็นเทพมันก็จะเป็นเทพมันจะขึ้นสูงขึ้นไปจากเทพก็จะขึ้นไปเป็นอาณาเป็นอนาคามีก็เป็นพรหมพอจากอนาคามีไปก็ทีนี้ก็จะเป็นนิพพานเป็นพระอรหันต์แจะไม่มีวันเสื่อมลงมา แต่ไม่กลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาจึงไม่แน่ใจว่าพระสุวรณบันจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เพราะว่าท่านมีทางท่านรู้ทางแล้วท่านรู้อริยสัจ ส, สีท่านเห็นทางแล้วเห็นใจนักแล้วท่านก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญปัญญาต่อไปได้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเทพเขาก็ยังมีความสุขก็ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ มันจเป็นรูปทิฟเสียงทิฟกลิ่นทิฟไม่ได้เป็นรูปหยาบเหมือนเหมือนร่างกายเขาที่มีตาหูจมูกนิ้วกายที่สัมผัสรับรู้กับรูปหยาบเสียงหยาบแต่เทพนี้เขาก็มีมียังยังมีความอยาหอวปัสสาวะดาวนี้ยังมีกามกามอารมณ์อยู่ยังอยากจะเสพในรูปเสียงกลิ่นนั้นแต่ท่านอาจจะเสพในโลกทิฟก็ได้โลกทิฟก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับฝันไป ว่าเราได้ไปเที่ยวกับคนที่เรารักได้ไปอยู่กับคนที่เรารักนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ใช้ความคิดความคิดคิดไปที่คิดอย่างนี้พระสุวรรันก็จะก็จะใช้ปัญญาว่าอมีความสุขแบบนี้ก็ความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเวลาไม่ได้อยู่ใกล้กับแฟนก็จะเกิดความเหงาขึ้นมาได้ท่านก็อาจจะพิจารณาว่าอ๋อท่านนั้นเราอย่าไปหาแฟนดีกว่า อยากอยู่กับแฟนดีกว่าถ้าไม่อยากจะอยู่กับแฟนต้องมองแฟนให้เห็นว่าเป็นเหมือนซากศพไม่สวยไม่งาไม่น่ารักต้องคิดถึงตอนที่เวลาแฟนตายไปว่าเป็นอย่างไงเวลาแฟนตายสามีตายยังเก็บไว้ในบ้านได้ป่ายังเก็บไว้ในห้องนอนอยู่นอนกับเราได้ไหมป่าพระพร ะ, ะโสดามันก็จะเริ่มพิจารณาเรื่องอสุภนะแลพิจารณาจกนกระทั่ง ดับการอารมณ์ได้ดับความอยากได้ก็จะเป็นพระอนาคามีก็จะเป็นพรมทีนี้ไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสทิพแลเสพความสงบแลเสพรูปประชานรูปประชานก็ <c oughs> เป็นเท่ก็ก็ไม่ได้ช่วยนอกจากว่าท่านมีความผูกพันกับมนุษย์บางคนเช่นท่านมีมีบุญมีมีบุญ ม, ม, มีคุณต่อกันท่านก็อาจจะคอยไปว่า เช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างบุคคลคนนี้เหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมส่งจิตไปหาพระพุทธมารดาเพราะมีบุญมีคุณต่อกันท่านก็จะส่งจิตไปหาคนเราถ้ามีความสัมพันธ์กันนี้มันมันจะมีมันมีอะไรที่จะดึงให้ยังไปมีความเอื้ออาทรต่อกันติดตามรับรู้กันเช่นถ้าเขาเป็นเทพเราเป็นมนุษย์นี้ถ้าเขาเห็นว่าเราตกทุกข์ได้ยากเขาก็จะเทพเขาก็จะดนบันดาลจิตใจคนนั้นคนนี้ให้มา ช่วยเหลือมาสงเคราะห์เราได้เราเรียกว่าเทพบรรดาลแต่เราต้องมีคุณงามความดีต้องมีบุญมีคุณกันมาก่อนในอดีตเหมือนกับเราตอนนี้ถ้าเรามีฐานะดีเราก็จะคิดถึงคนที่เคยช่วยเหลือเราเคยที่ให้ความอุปถัมภ์กับเราเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาเช่นอาจจะคิดถึงครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรามาตอนที่เราเป็นเด็กๆให้ความรู้กับเรา ตอนนี้เรามีกำลังทรัพย์มีเงินทองก็อาจจะไปดูโรงเรียนที่เราเรียนมาว่าเป็นยังไงความผูกพันมีอยู่มันก็จะทำให้จิตมันติดต่อกันได้ติดต่อกันไปแต่ถ้าสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันก็จะไม่มีอะไรกันหลังจะกถ่เวลาที่คลมาพักที่พระอาจารย์ได้เทศน์ที่ทวัดใหญ่ ก็จะเทศตอนเช้าทุกวันสาวเทศกับวันพระที่นธธรรมเป็นหนังสือกําลังใจออกมาเนี่ยที่วัดยานเขาเขาก็มาทําบุญสายบาตแล้วเขก็ฟังเทศฟังธรรมกันกัวันพระตอนเช้าแต่ตอนค่ำที่เข้าลงไหว้พระสวดมานั่งสมาธิในโบสถ์นี่เราไม่ได้ไปเทศบางทีเขาก็เปิดเทศของสมเด็จพระสังฆราชที่อัดเทปไว้บางทีก็มีพระที่ท่านเทศเป็นนั้นก็เทศให้เขาฟังกัน ถ้าเราจะมาพักนี่เราต้องจดก่ดอนเรย ม, มีมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะโทรไปได้ไปจองที่พักได้ก็ให้พักครั้งละไม่เกินเจ็ดวันอย่างต่ําต้องสามวันเขาไม่ต้องการให้เป็นที่พักแรมต้องถ้าพักคืนอย่างนี้ก็จะไม่พักเพราะกลัวจะมาพักแรมมาเที่ยวพัทยาแล้วที่นี่ที่นี่จะมีรถทัวร์มาจอดใช้ห้องน้ํากัน ทัวร์ที่มาจากต่างจังหวัดเท้ามืดนี่จะมาเต็มวัดเลยมาใช้ห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำอาบท่ากันแล้วจะได้ไปเที่ยวต่อกันจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้ศูนย์สามแปดสามสี่สามหกหนึ่งสี่ถึงห้า เบอร์หนึ่งจะเป็นแฝก ร, รู้สึกเบอร์หนึ่งสี่จะเป็นแฝกแต่ไม่รู้เบอร์ไหนลองโทรดูสองเบอร์แล้วก็ถ้าจะพักวันไหนก็ถามเขาสำรองที่พักได้ถ้าว่างก็เขาก็จะให้จองอย่างเมื่เช้านี้ก็พุทธธรรมตอนก่อนจะฉันนะจะไปบินธบาลกลับมาประมาณเจ็ดโมงเสร็จเสรแล้วก็ญาติโยมก็จะมาร่วมใส่บาตรมาถวายอาหารต่อ พอพอรับอาหารใส่บาศเสร็จเรียบร้อยแล้วถอยสังฆทานแล้วก็จะพูดธรรมะสักครึ่งชั่วโมงประมาณแปดโมงเช้านี้ก็พูดประมาณแปดโมงก่อนแปดโมงเล็กน้อยห้านาทีพูดประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ลฉันอาหารฉันเสร็จก็พักผ่อนแล้วก็ก็ขึ้นมาบนเขาฉันเสร็จก็ขึ้นมาพักผ่อนบนเขาสองโมงก็ลงมาพูดธรรมะต่ออีกรอบหนึ วันหนึ่งก็มีสองรอบ่วนใหญ่จะพูดวันเสาร์อาทิตย์กับวันพระเพราะมีคนมาเยอะวันธรรมดาก็มีคนมาหา ป, ปลายก็คุยกันตอบปัญหากันอะไรกันไปไม่ได้ไม่ได้เทศอย่างที่เทศอยางยาวอย่างนี้ตอนเย็ยนๆเนี่ยเดี๋ยวเทศเสร็จแล้วสักคู่ก็ลงไปงสักสี่ห้าโมงก็จะลงไปลงไปเตรียมตัว ไปออกมินทบาทตอนเช้าอีกอีกรอบหนึ่งชีวิตก็วนอยู่แค่นี้เราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่ได้เป็น <c oughs> ถ้าเราไม่เป็นระดับนะั้นเราจะไม่รูร้เราต้องอยู่ระดับนั้นหรือระดับสูงกว่าเขาเราถึงจะรู้ว่าเขาอยู่ระดับไหนถ้า ก็ต้องอาศัยการศึกษาสอบถามคนนั้นคนนี้ไปเรื่ยอยๆแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมของท่านด้วยถ้าเรามีธรรมะเราจะรู้เวลาท่านทำแสดงธรรมว่าท่านอยู่ขั้นไหนเกิดถ้าเราสูงกว่าท่านเราจะรู้แต่ถ้าท่านสูงกว่าเราทําที่ท่านแสงแสดงให้เราเราจะไม่รู้ว่าเป็นธรรมที่ถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าเราเหมือนกับนักเรียนที่จบปัญญาเอกเวลา เวลาฟังอาจารย์องไหนคนไหนพูดเนี่ยจะรู้ว่าจบระดับลึม ญ, ญาไหนกันตีโทแล้วเอกเวลาคุยกันจะรู้ถามปัญหากันถามตอบ ก, กันนี้จะรู้แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เราอยู่ชั้นอนุบาลเ น, นี่เราจะไม่รู้ว่าคนที่สอนตอนนี้เป็นคนชั้นไหนเออถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบพระศาสนาเลือกที่จรไม่มีการคีบกันเล เห็นผุ้คนนี้ถือว่าพระองคนี้ผู้ศรีอะไรอย่างเงี้ยเห็แล้วจะทราบไหครับางองค์ท่านมียานอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านมองปั๊บก็รู้เองคุบาญารย์บางรูปท่านเห็นปับ๊บท่านก็รู้ว่าบางทีกิยาการทราบการสาแสดงออกมาก็จะบอกเองว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าอยากจะทราบรายละเอียดลึกๆ ก, ก็อาจจะต้องสนทนาธรรมกัน ครบาอาจารท่านที่สําเร็จได้บางทีท่านไม่รู้จักกันท่านมาคุยกันเดี๋ยวท่านก็รู้เพรา ะ, ะ, ะทําที่เห็นนี่ที่ดูนี้มันเหมือนกันถ้าพูดแล้วพูดเรื่องเดียวกันก็ก็เข้าใจกันถ้าพูดกันคนละเรื่องก็รู้ว่าไม่ใช่ <c oughs> คนนี้ก็จะพูดแต่เรื่องเหอเหินเดินอากาศดาดินอยู่งั้นก็รู้ว่าไม่ใช่แล้วแหละ <c oughs> ก็ไม่มีใครทาสำรวจประชามะประชายน้องมันมาทำดูเลยถามได้แต่ยังคงยะตอบไม่ได้นอก็หลวงตาท่านก็ทำประชามติทำทาทาสำรวจให้แล้วเนี่ยอ่า อาจจะพอะจำมาได้เนอะจดจำม า, า, า, ก, าก็ฟังเทศนของท่านกเยอะอยู่ท่านต้องแปดปีครึ่งอยู่ตั้งแต่ปี26เมษายนถึงธันวา2 2อ่า18เมษายนถึงธันวา26เออ26มาอยู่ที่ปัตตาปีหนึ่งอยู่ที่วัดโกดิสัมพันธ์รอ27ก็มามาอยู่ที่นี่ ก็ไม่ได้ฟัไม่ไได้ปศึกษากับครูบาจารย์องค์อื่นเลยพอบวชตั๊บก็ไปอยู่กับท่านแล้วศึกษาจากธรรมของท่านเพียงอย่างเดียวท่านอ่านประวัติทิศสังเอ็จธรรมะทินสังติเพื่อใช้ในการทำแท่งเดยคือเคยแปลธรรมะที่หลวงตาท่านเทศให้พระฟังว่าช่วงนั้นมีพระฝรั่งหลายรุ่แล้วเขาฟังไม่เข้าใจแล้วท่านปัญญาที่เป็นพระชาวต่างประเทศท่านช่วยสรุป ให้สั้นๆประมาณห้านาทีสิบนาทีเราก็เลยคิดว่าอยากจะให้เขาได้ฟังรายละเอียดมากขึ้นถึงแม้ว่าจะภาษาของเราจะไม่เลิศดรืก็อย่างน้อยก็พองููป่าให้เขาได้เข้าใจก็เลยเอาเทปที่ท่านปัญญาอัดของหนิงตามาใช้เครื่องเทปสองเครื่องได้เครื่องหนึ่งเปิดฟังแล้วก็ฟังเสร็จแล้วก็แปลพูดเข้าไปเครื่องหนึ่งเลยภาษาอังกฤษ ก็เลยมีมีเท่ของหลวงตาที่เราเราพูดเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษไว้อยู่ก็ยังมีอยู่ในเว็บไซต์ของหลวงตาเนี่ยในในภาพภาษาอังกฤษนี่จะมีอยู่ก็มีมีมีฝรั่งบางองค์เขาฟังแล้วก็คิดว่าเป็นเท่ของหลวงตาเป็นเสียงของหลวงตาที่ว่าหลวงตาพูดภาษาอังกฤษได้ ก็มีอยู่ประมาณทักยี่สิบกันเทศทําำไปประมาณทาไปแล้วตอนหลังก็มาถอดเป็นทําเป็นหนังสือแล mm ้ว hmm. ก็พิมพ์จากชาวต่างประเทศส่งไปตามวัดต่างประเทศต่างๆก็มีคนเขาบอกเขาได้รับประโยชน์จากหนังสือของหลตาเรื่นี้เขาอ่านแล้วเขาทําให้เขาเข้าใจวิธีการปฏิบัติ ก็ดีถึงแม้ว่าจะไม่มากก็ยังดีที่ยังมีคนบางคนว่าทําที่ท่านสอนที่เราแปลนี้เป็นธรรมทีท่านสอนพระโดยตรงท่านจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องศรัทธาอะไรมากนะท่านจะพูดเรื่องภาวนาเรื่องเร่งความเพียรเรื่องความอดทนอดกลั้นต่อสู้กับกิเลสตัญหาต่าง ดังนั้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ภาวานานี้ถ้าอ่านแล้วจะตกใจเพราะว่าโอ้หต้องทํำในขนาดนี้เอามันเป็นอย่างนี้กิเลสถ้ามันไม่เอามันขนาดนี้เอามันไม่อยู่นะถ้าเอาแบบเอาแบบรูปหัวคําหัวมันไปนี่มันมันแม่เอาต้องฟ้ามันหนุนตากิเลสมันต้องจะกลัวถ้าไปลูกหัวมันเป็นเด็กดีนะอย่าทําอย่างนี้เพราะมันไม่ฟังเราหรอก ถ้าฟาดมัอนด้วยอดอาหารย อ, อย่างเดินยงกำเดินจงกรมเป็นชั่วโมงนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะกลัว <c oughs> ต้องเอามานาันแรงๆเหมือนถังเยอยูยูมัดเนี่ยการที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเพียรมีความสามารถอย่างเี้มันก็ทำให้ปลุกความสามารถที่เราไม่มีให้เกิดขึ้นได้ เ, เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้อง จะใช้ความหนักเท่าไร่พอทำหนักหน่อยกิเลสมันก็จะมาบอกว่าสุดโต่งนะเนี่ยเพียงแต่ไม่กินข้าวเย็นก็หาว่าสุดโต่งละทรมานร่างกายละ<ม>นี่มันก็ขนาดอดอาหารสามวันห้าวันก็ยังไม่ว่าสุดโต่งกันเลยบางครั้งบางคราวมันต้องใช้มาตรการแบบนี้เพื่อยกระดับจิตขึ้นมาเหมือนกับเวลาเราจะเปลี่ยนยางรถยนต์นี่เราต้องใช้แม่แรงยกล้อขึ้นมา ถ้าเปลี่ยนยางขนาดที่ร้อนมันไม่รอนนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากจะยกระดับกิจจากปุถุชนเป็นพระอริยะเนี่ยมันต้องใช้มาตรการที่เข้มข้ น, นมันถึงจะไปได้ถ้าอยู่แบบสบายๆกินอยู่แบบสบายๆแล้วคิดว่าจะบรรลุได้นี่ยากมากถ้าบรรลุก็บรรลุแบบจินตนาการ คือระดับจินตมยาพปัญญาคือนั่งคิดพิจารณาเออเราก็ไม่มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่ถือตัวถือตนเราก็ไม่ยึดติดกับร่างกายนี้เราก็เชื่อบุญเชื่อกำเราก็ไม่มีทําพิดีสะดอกคุกสะดอกเคาะอะไรไม่มีสีลับพระจักรพรรดิเนี่น่าจะเป็นจออันนี้มันเป็นจินตนาการ เพราะยังไม่เจอข้อสอบไอทำแต่การบ้านยังไม่ได้เข้าห้องสอบเข้าห้องสอบก็คือตอนที่ไปเจอสามีทิ้งเราล้มละลายอย่างนี้มา <c oughs> ดูซิว่าทำใจได้หรือเปล่าอัน <c oughs> นั้นอนะ่ะมันต้องถึงอย่างนั้นถึงจะรู้ <c oughs> คนที่จะรู้ว่ากลัวตายหรือเปล่าก็ต้องไปหาเสือไปอยู่กับเสือดูสักพักหนง <c oughs> แต่อยู่ในป่าในเขาอยู่ที่หน้าหวาดกลัวอยู่ในป่าช้าดูซิอยู่ได้เปล่าอยู่แล e, ้วมันก็อยู่แบบ <S <s platinum, สองอย่ yani างอยู่แบบสมาธิแล e> ้วอยู่แบบปัญญาอยู่แบบสมาธิก็เวลากลัวก็เข้าสมาธิไปมันก็หายกลัวอันนี้ก็ยังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาเวลากลัวก็เอาเลยยามตายไปเลยอย่างเงี้ยถึงจะเป็นปัญญาร่างกายมันไม่ใช่เรามันต้องตายอยู่แล้วไปกลัวมันทาไมไปหวงมันทาไม ให้มันตายไปเลยสิพอยอมตายอย่างเงี้ยมันจะหายเลยหายกลัวโดยเด็ดขาดต่อไปไม่ต้องเข้าสมาธิเวลากลัวถ้าคนเข้าสมาธิเวลากลัวก็เวลาเข้าสมาธิหายกลัวพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็กลวย ก, ก็ต้องคอยเข้าสมาธิหนีกลัวอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าลงได้ยอมตายได้แล้วมันหายกลัวเด็ดขาดถาวรเลยปัญญามันจะถอนรากถอนโคนเลยรากเ ง, งาของกิลเลส อันนี้ถ้าไม่เข้าห้องสอบก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่เจอข้อสอบไม่รู้ส่วนใหญ่คนที่เขาศึกษาอพิธามกันหรือศึกษาว่าคมพีร์กันเขาก็พิจารณาอ่านเขามีระดับปัญญาชนเขาก็พิจารณาได้เขาก็วิเคราะห์ได้เออเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ <laughs> ส่วนที่ไม่เป็นก็ไม่มองไม่ยอมมอง <laughs> มีมีหลายคนที่คิดอย่างนั้นกัน คิดว่าเรก็ใกล้สุดาวแล้วไหมทั้งที่ยังนอนกอดอยู่กับความสุขต่างๆยังกอดอยู่กับราบยศสารเสือกอดอยู่กับรูปเสียงกลภภาาิ่นรสผดทพันก็ไม่เป็นไรนี่พระสวดาวมันยังมีสามีได้มีภรรยาได้ปัญญามันมีสามระดับระดับแรกเรือสุตตรมยาปัญญาคือขั้นต้นต้องศึกษาได้ยินได้ฟังก่อน ก็ได้ดูว่าอะไรเป็นอะไรพอได้ยินในฝั่งแล้วก็เอามาพิจารณาค่าขวรก็เป็นจินตามายะปัญญาขึ้นมาก็เป็นการทําการบ้านทําการเตรียมตัวเตรียมเข้าห้องสอบแต่บางทียังไม่ทันเข้าห้องสอบก็บอกว่าสอบสอบผ่านแล้ว <laughs> เรื่องงานทำงานแล้างอย่างดีถ้าจ้องที่บวชอย่ือถ้าเขาเขาอยากจะบวชเล้วเราไม่ไปห้ามเขาก็แสดงว่าเราไม่ได้ยึดติดกับเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่มีการอารมณ์การอารมณ์เรายังไม่ได้หมดไปเพียงก็คงจะ มันมีหลายเหตุเลยบางทีเบื่อก็ได้ให้เขาไปแล้วเราจะได้หาหมา่ะมันมันมันทำอย่างดีงเนี้ยแต่ภายในใจนี่มันมีมันเป็นได้หลายแบบแต่ยังไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะบ่งด้ว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม อาจจะเป็นความเบื่อหน่ายก็ได้อยาจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้พอดีเขาขอบ่วยก็เอาไปเลยแต่ถ้าให้เขาไปเพราะว่าเอาอยู่ด้วยกันแลกมันทุกวันก็ต้องจากกันเวลาจากกันถ้าไม่พร้อมจะให้เขาไปก็จะทุกข์ก็เลยทําหัดทําใจยอมให้เขาไปเท่าแต่แบบนี้แล้วก็ไม่ทุกข์อย่างนี้ก็แสดงว่าอาจจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นเห็นด้วยปัญญาก็ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดย่อมมีดับ เป็นธรรมดาอย่างนี้ก็กำลังจเจริญโสดาปฏิมักก็เพราะมันยังไม่ได้ปล่อยทุกอย่างอาจจะปล่อยสามีแต่ยังยึดติดกับสมบัติของสามีเท่าแต่ได้แต่ต้องทิ้งมันไว้อันนี้ก็ยังไม่ปล่อยหมดมันต้องปล่อยหมดทุกอย่างปล่อยราบยศสรรเสริญปล่อยร่างกายปล่อย ทั้งของเขาและทั้งของเราถึงจะเป็นสวดาบันได้เต็มรูปแบบถ้าปล่อยแต่ของคนอื่นยังไม่ได้ปล่อยของเราเนี่ก็ยังปล่อยครึ่งเดียวยังปล่อยไม่หมดต้องปล่อยหมดเลยลาบยศสรรเสริญไม่เอาเลยแต่ไม่ก็มนะ่ได้ครดว่าจะโยนทิ้งไปนะถ้าถ้ายัางยังต้องใช้มันอยู่ ก, ก็เก็บมันไว้ใช้อยู่ยังต้องอาศัยมันก็ใช้มันไปอยู่ถ้ายัางไม่ได้ออกบวชอย่างเงี้ยแต่ถ้าพร้อมที่จะออกบวชก็ทิ้งมัหมดเลยทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง แต่การทิ้งออกบวชก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเพราะคนออกบวชต้องเยอะแยะยังไม่ได้เป็นอาจจะทิ้งเพราะว่าไม่มีก็ได้หรือ ว, ว่าอยากจะไปบวชเบื่อกับการอยู่กับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองแต่ยังไม่ได้แบบว่าเบื่อจริงๆอาจจะไปบวชสักพักแต่เดี๋ยวก็เบื่อก็อาจจะกลับมาหามันใหม่ก็ได้อันนี้ต้องพิสูจน์ดูไปเรื่อยๆก่อน ว่ามันเป็นการตัดอย่างถ้าววอนหรือตัดแบบชั่วคราวตัดตามอารมณ์หรือเปล่าหรือตัดด้วยด้วยปัญญาถ้าตัดด้วยปัญญานี่มันตัดอย่างถ้าวรอนแต่ถ้ามันตัดด้วยอารมณ์วันนี้เบื่อก็ไม่เอามันก็ได้แต่พอสักพักหนึ่งพออยู่ห่างไกลสักพักหนึ่งความเบื่อ ก, กลายเป็นความอยากขึ้นมาก็อยากจะกลับมาคนบางคนที่บอกเป็นชายสามโบนเนี่ย เวลาอยู่ทางโลกก็เบื่อก็ไปบวชบวชสักพักก็เบื่อทางธรรมก็กลับมาชอบทางโลกใหม่อะไรยังนนไงก็ไม่ก็ดีไงสำหรับเขาสิถ้าก็เห็นว่าเป็นทุกข์นี้ มีเงินมีทองเป็นทุกข์มีภรรยามีลูกเป็นทุกข์เขาก็จะไม่มีวันกลับมาหาลูกหาภรรยาหาเงินหาทองต่อไปเหมือนกับเราเห็นว่าเป็นงูพิษนี่เป็นยาพิษนี่เราจะไปแตะมันหรือเปล่าเราก็จะไม่แตะมันโดยเด็ดขาดต้องเห็นทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข็ดมันต้องเห็นพร้อมกันห่าเห็นทุกเห็นทุกเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้ มันจะเห็นทั้งสามอย่างพร้อมกันเลยเห็นทั้งทุกขังเห็นทั้งอนิจเห็นทั้งอนิจจังเห็นทั้งอนัตตามันถึงจะเห็นเรียกว่าเห็นอย่างสมบูรณ์ตัดได้อย่างสมบูรณ์นี่จําเห็นใต้ลักแล้วแต่ว่าบูที่เข้ามาทำนี่ยังมีชีวิตอยู่อเปล่า ถ้ามีแต่ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเขาโดยตรงเนี่ยเราเพียงแต่สั่งอันนี้มันก็แบบมันก็แบบปนกันมันคือถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเรารู้ว่าเขาทำเอาของเป็นๆมาทำนี้เราก็ไม่ควรไปกินร้านนั้นถ้าเราอยากจะไม่เสี่ยงกับการทำบาปเพราะว่าสั่งก็ดีทำเองก็ดีก็บาปเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้หรือเราถามกขาก่อนแล้วบอกเขาว่า อ่ปูที่จะเนี่ยเป็นปูเป็นแล้วปูตายอ่าถ้าเป็นอยู่แล้วก็อย่าไปกินมันก็แล้วอย่าไปกินมันก็แล้วกันกินเจไปก็ได้อ่า อ, อย่างงั้นก็อย่าไปกินแต่บางร้านเขาให้ไปชี้นี่เช่นอ่าปลาตัวนี้อปูตัวนี้แล้วเขาก็ตักมาให้เราไอ้อย่างเงี้ยแน่แน่แต่ถ้าว่าเราไปถ้าเราอยากจะ อยากจะไม่ไม่มีส่วนก็บอกเขาก่อนกันได้ว่าเอาของที่ตายแล้วมีไม้ยปลาที่ตายแล้วมีไห อ, อบอกเขาอย่างถ้าบอกมีก็เอาเอาที่ตายแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็เอาของที่ตายแล้วเช่นเราไปซื้อของที่ตลาดก็เหมือนกันถ้าปลายังเป็นอยู่ล้วก็อยาซื้อเราซื้อปลาที่ตายแล้วไปซื้อปลาที่แช่เย็นก็ได้ที่เขาขายในตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ อย่างนี้ก็จะปลอดภัยอย่างนี้จะไม่เป็นมานาธิบาตแต่อย่าไปสั่งล่วงหน้านะพรุ่งนี้จะเอาไก่สามตัวให้ถ้าเราสมมุติเราปล่อยปลาเนี่ยถ้เรานปลาจะมีทาใดได้ก็มันตายก็กินได้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราเราเราเาปล่อยปล่อยเข้าไปแล้วเออถ้าสมมติเราปล่อยปลาช่อนเออได้ถ้าเป็นปลาช่อนที่ตายแล้ว อเย่าไปกินปลาช่อนที่เป็นยอย่ามาฆ่ามันถ้ามาฆ่ามันก็เหมือนไปปล่อยมันทําไงสิวันแล้วก็เก็บไว้กินอ้าปล่อยแล้วไม่ค่อยฆ่ า, า, า ไ, ไ, ดนะได้กินได้ถ้ามันของตายเช่นเราเลี้ยงไก่ที่บ้านเนีย้ยไก่มันตายแล้วก็ามากินได้อไม่ได้เฉื อ, อยไงมันตายเองไงมันแก่ตายอย่างเงี้ยมันแก่ตายก็กินได้ ก็ให้ชีวิตเขาไงถ้าหน้าถ้าเราเกิดไปเป็นปลาแล้วก็อาจจะได้มีคนมาจับเราไปปล่อยอ๋อไม่เกี่ยวกันอ่ะ <c oughs> อ๋ออันนี้อาจจะเป็นเพราะาบุญเก่าที่เราเคยทํามาแล้วอาจจะเคยช่วยใครเข้ามาก่อนพอถึงเวลาเขากลับมาช่วยเรามันอาจจะไม่ได้เป็นพ่อเราไปปล่อยปลาวันนี้หรอกมันคนละเรื่องกันมันคนละบัญชีกัน <c oughs> อ่าอคือบุญเก่าเราทําไว้ก็มีอยู่ บาปเก่าที่เราทำไว้ก็มีอยู่บางทีเราจะสับสนว่าเอ้ยเราทำบุญทำไมเรายังเจอแต่เรื่องไม่ดีก็ mm hmm. เพราะว่าบาปมันบาปเก่าที่เราทำไว้มันส่งผลในวันนี้ส่วนบุญที่เราทาในวันนี้มันยังไม่ส่งผลขึ้นมาเั mm hmm. งั้นบางทีเราไปจับแพะชนแกะกัน mm hmm. ก็เลยจะทำให้หลงผิดได้บางคนก็เลยคิดว่าเอ้ยทำบาปกูก็ยังได้ดีอยู่อย่น mm ี hmm. mm hmm. บางคนก็ท้อแท้ทาบุญแล้วก็ยังเจอแต่เจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความ เดือดร้อนก็จะไม่อยากทําก็เพราะว่าไปจับแพะชนแกะไม่ไม่วิเคราะห์เหมือนกับการปลูกต้นไม้ฮะเราปลูกต้นไม้วันนี้เราจะให้มันออกผลวันนี้ได้ที่ไหนแต่ต้นที่เราปลูกไว้เมื่อสองสามปีก่อนวันนี้มันออกผลให้เราแล้วมันต้องต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้เรายึดเชื่อว่าทําดีได้ดีทํำช่วได้ช่วยก็แล้วกัน จริงแต่ว่าเราไม่ม่ทําดีอย่างเดียวทํำชั่ว อ, อย่างเดียวเราทําผสมกันไปมันก็เลยได้ผลดีบ้างผลไม่ดีบ้างสลับกันไปแล้วพอมาทําบุญวันนี้แล้วไปถูกเขาตีหัวเย็นนี้ก็เลยว่าเป็นทําบุญดีกว่าทําบุญแล้วสวยยุยนี่มันไม่ใช่มันคนเราเรื่องกันเพราะเราไปด่าคนนั้นเขาตั้งแต่ว่าวานนี้วันนี้ก็เลยตามมาตีหัวเราเอาทําเหตุไว้ก่อนแล้วเอ นะั้นขอให้เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่จริงแน่นอนจริงแต่ว่ามันจะเกิดผลเมื่อไหร่นี้มันไม่รู้บางอย่างก็เร็วบางอย่างก็ช้าบางอย่างอาจจะข้ามภพข้ามชาติไปก็ได้ใช่ไหมอืมอ่าใช่มีให้การต์แปลๆเยอะแ ย, กแยก ะ, ะก็ขอให้ว่าคิดว่าสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเป็นผลบุญที่เราทำมาในอดีตก็แล้วกัน ผลผลที่ไม่ดีที่เกิดกับเราก็ขอคิดว่าเป็นผลไม่ดีเป็นการกระทำที่ไม่ดีในอดีตของเราก็แล้วกันเราจะได้กลัวไม่กล้าทำบาปจะได้พยายามทำแต่บุญไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะมีแต่ผลดีๆมากกว่าผลที่ไม่ดีเน่างเนที่กว่าหน้าบเกาเาเเออการปฏิบัติธรรม แกสายหรือวินมรรคมีปฏิบัติบางทกานคือการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดเหมือนการเรียนหนังสือมีขั้นอนุบาลขั้นประถมขั้นมัธยมขั้นมหาลัยการปฏิบัตินี้ก็มีขั้นขั้นต้นก็คือทานขั้นที่สองก็คือศีลขั้นที่สามก็คือสมาธิขั้นที่สี่ก็คือปัญญาฮะนี่ต้องเป็นอย่างนี้ไปในการที่จะพัฒนาจิตใจมันต้องเป็นอย่างนี้ แต่การทำจิตใจให้เป็นสมาธินี้ทำได้สองสองวิธีจะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่าการเพ่งดูลมหายใจบริกรรมพุทโธอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอา่เป็นการทำสมาธิด้วยการเพ่งแต่บางคนนี่เขาเพ่งไม่ได้หรือจิตใจเขาชอบคิดไปในทางปัญญาก็ให้เขาใช้ปัญญานี้มาทำให้ใจสงบได้เขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิอ ปัญญาเพื่อทําใจให้สงบทังนั้นไม่ใช่เป็นปัญญาที่ทําให้เป็นเป็นวิปัสสนาทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้คนละเรื่องกันจะจะยกตัวอย่างเช่นเวลานั่งไปแล้วนั่งไปสักพักพุทโธไปพุทโธไปมันไม่อยู่มันคิดนู่นคิดนี้ไปแล้วเดี๋ยวเกิดการเจ็บขึ้นมาที่ร่างกายแล้วอยากจะลุกถ้าเราใช้ปัญญามาพิจารณาว่าความเจ็บนี่มันเป็นเรื่องปกติของเขาเรื่องของร่างกาย ใจเราไม่ได้เจ็บกับเขาใจเราควรจะอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทุกข์กับเขาถ้าเราสอนใจไม่ให้ปล่อยวางไม่ไปเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะลู้ขึ้นมาเราก็จะใจก็จะสงบได้อันนี้เขาเรียกว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิเพื่อทำใจให้สงบจริงๆมัก็คือร่กันแ ล, แล้วแต่เาเป็นคนสมุนก็แล้วแต่บางครั้งเราอาจจะใช้ปัญญาเช่นบางทีเรานั่งแล้วมา กังวนกับเรื่องที่ที่ทํางานเรื่องของครอบครัวตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาว่าเรื่องของครอบครัวมันก็อันนี้จังทุกขังแลนะตาเราก็ไปทําอะไรมันไม่ได้ตอนนี้ปัญหามันมีอยู่ก็ปล่อยมันไปตอนนี้มานั่งคิดให้มันเสียเวลาทุกใจไปเปล่าๆอะไรจะเกิดก็อยอมให้มันเกิดเนี่ยพอเรายอมรับอย่างนี้ใจเราก็จะหายฟุ้งซ่านก็จะกลับมา ภาวนาทําใจให้สงบได้และสงบได้เลยเพราะาที่มันไม่สงบก็เพราะว่ามัวแต่ไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาก็มากําจัดปัญหาอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิทําใจให้สงบแต่พอได้สมาธิด้านนี้ออกจากสมาธิมานี้ต้องเจริญปัญญาอีกแบบหนึ่งนะต้องมาพิจารณาถึง เ, เรื่องต่างๆที่ใจเรายังไปไปหลงยึดติดอยู่ เช่น ย, ยัางหยงหนงยึติดกับราบยึดสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้พอเราพิจารณาได้เราก็จะเลิกไม่หาความสุขจากราบยึดสรรเสริญได้อันนี้เป็นปัญญาจริงๆอนอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญญาอบรมสมาธิเป็นปัญญาเพื่อดับความอยากดับการมตัญหาภาะวะตัญหา วิภาวะทันหาที่จะทําให้เกิดเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาคือจิตของคนเราเนี่ยจะมีความถนัดเหมือนกับมือซ้ายมือขวาบางคนจะถนัดซ้ายบางคนจะถนัดขวาบางคนจะถนัดสมาธิมากกว่าถนัดปัญญาบางคนจะถนัดปัญญามากกว่าถนัดสมาธิหนแจ ท, ท, ทําด คือเวลาทําสมาธิเราจะเก่งบางคนจะเก่งทางสมาธิจะเหาะเหินเดินอากาศมีริทมีเดดําดินอะไรได้นี่อย่างเช่นพระโมกกาลานี้ท่านจะเป็นแบบเป็นคนที่ชํานาญเก่งกาศทางด้านสมาธิส่วนพระโมกข์อ้าวสาวรีบุตรนี้ท่านจะเก่งกาศทางด้านปัญญาท่านจะคิดทางเรื่องเหตุเรื่องผลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนสองคนนี่ก็บรรลุเป็นพระหลานได้เท่ากัน เป็นแต่ว่าคนคนหนึ่งนี่จะจะมีความสามารถมากในทางสมาธิส่วนอีกคนหนึ่งจะมีความสามารถกว่าในทางปัญญาคือคนหนึ่งถนัดซ้ายคนหนึ่งถนัดขวาภาษาลิบบดเลยเป็นอัคระสาวกขวาพระโมคคลาก็เป็นอัคระสาวกซ้ายเพราะพระพุทธเจ้าเห็นว่าอิทธิฤทธปฏิหาริย์สู้ปัญญาไม่ได้เพราะปัญญานี่นอกจาก นอกจากที่ทําตัวให้ดับทุกข์ได้แล้วปัญญานี้จะมาสอนคนได้มากกว่าคนที่มีสมาธ์เก่งทางสมาธิคนเก่งทางสมาธินี่บางทีสอนไม่ค่อยเป็นสอนได้แต่เฉพาะตัวเองสอนเพื่อดับกิเลสหยุดความเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาได้สําหรับตัวเองแต่จะเอาความรู้นี้มาสอนคนอื่นให้คนอื่นฟังแล้วเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจสอนไม่เป็นคนที่เป็น คนที่เก่งทางปัญญานี้จะเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากกว่าอย่างสาวกอย่างลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันครูบาอาจารย์บางองค์นี่ท่านแทบจะไม่ได้สอนอะไรมากธรรมะของท่านจะไม่ค่อยบีมากหนังสงหนังสืออะไรนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะท่านก็ไม่รู้จะพูดอะไรท่านก็พูดแต่ศีลสมาทิปัญญาแล้วก็จบเอวังก็มีเรื่องประกาศอะไรนีน้อย่างหลวงปู่สาวนี่ถ้าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มัน่นท่านก็ไม่ ใช่ก็ไม่เทศไม่สอนมากมายเพราะท่านไม่มีปัญญาที่จะเอาธรรมะที่ท่านรู้ที่เห็นนี่มาม า, มาอธิบายมามาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเนี่ยแต่คนที่พูดเก่งคนที่มีปัญญานี้สามารถที่จะเอาธรรมะนี้มาแสดงในแง่ต่างๆให้คนฟังนี้ฟังได้เห็นได้เข้าใจได้อย่างชัดเจนอย่างง่ายได้ ว่าต้องสื่อสมาธิแล้วก็ปัญญาทีนี้สมมติว่าเราเราอนุรัษ์สีหรือว่าสมาธิเราทำได้ที่เราไม่ต้องกังวลก็คินได้เหมือนกันแต่พอเป็นปัญญาแบบให้เราไม่ใช่เป็นคนโง่เลยเลยทีเดียวแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นปัญญาที่จะมาหยุดความอยากได้ยังไม่เป็นวิปัสสนาปัญญาแต่ก็ต้องใช้ปัญญาทุกระดับก่อ การรักษาศีลก็ต้องรู้ว่ารักษาอย่างไรถึงเป็นการรักษาศีลที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญญาของระดับของสมาของศีลของสมาธิไปแตระดับปัญญาแท้ๆที่จะเป็นวิปัสสนานี i มันต้องไปถึงขั้นนั้นต้องผ่านในขั้นสมาธิไปก่อนแต่ปัญญาต้องใช้ในทุกระดับทําทานก็ต้องใช้ปัญญาต้องรู้จักแยกแยะว่าทําทานอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทําทานอย่างไรทําให้ไม่เกิดโทษ คำทานที่ทำให้เกิดโทษก็ได้ไม่ทำกับพวกที่เป็นอารัชชีพวกที่มาทำลายศาสนานี้มันก็ช่วยกันมาย่ำยีศาสศาสนาให้พังไปก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะเหมือนกันวันออนี้มีคำถามแปลกๆนี่นะออมาจากที่ไหนกันเออพิ่งมาข้างแรกเหรอมาไทยแล้ว อ, อ่า เนี๋ยนี้ก็เข้าไปใน a ฟ e b o o k ได้อ่อาฟังที่บ้างก็ได้เ่ามาที่นี่เขได้ถามปัญหาได้อย่างเต็มที่ทำไมงั้นก็ต้องถามปัญหาใน Facebook แล้วก็จะตอบได้หนเดียวถ้าสงสัย ก, ก็ต้องรอข่าวหน้าแต่ถ้ามาที่นี่ก็ถามได้เลยถ้าอธิบายแล้วยังไม่ชัดเจนก็ถามต่อได้เพราะธรรมะมันมีหลายแง่หลายมุมด้วยกันบางทีถามอย่างนี้ก็ตอบไปอย่างนี้บางทีก็อาจจะ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ถามอีกทีก็ได้แม่จัค่ะอย่างเวลาที่จุดติสติดบางครั้งเนี่ยจะบางครั้งทุทโธนี่มีอยู่ข้าจันตั้นเนี่ยเวลาที่ติดิดเราควรทีุดพไปเอง ความจริงถ้าเราพูดโธต่อไปได้ก็พูดโธต่อไปเพราะยังไม่ถึงจุดสุดท้ายที่เราต้องการไปถ้าเป็นรถเบยยังไม่ถึงป้ายสุดท้ายอย่างพิ่งลงป้ายสุดท้ายต้องเป็นอุเบกขาต้องสักแต่ว่ารู้แล้วก็ความพูดโธมันจะหยุดไปเองถ้าถึงป้ายสุดท้ายมันจะหยุดไปเองมันจะวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่ออย่างเงี้ยแล้วก็จะนิ่งสบายตอนนั้นมันไม่ต้องพูดโธแล้ว แต่ถ้าก่อนหน้านั้นมันยังจะเกิดขนลุกซ่ามีน้ําตาไหลมีความรู้สึกปิตินี่ก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงป้ายสุดท้ายเราก็พาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้คิดว่าเป็นเหมือนกัรนั่งรถเมลน้ํามีผ่านหน้าลงภาพยนตร์มากผ่านลงละครบ้างก็อย่าไปลงลงไปดู นั่งอยู่ในรถภาวนาต่อไปพุทโธต่อไปดูลมต่อไปยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงป้านสุดท้ายพอถึงแล้วมันจะรู้เองอ่ะมันจะนิ่งมันจะสบายมันจะนั่งเฉยเฉยได้ถึงแม้ว่าบางทีร่างกายไม่หายไปก็ไม่เป็นไรรู้สึกชาบ้างเจ็บบ้างก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้ หรือบางทีก็หายไปหมดเลยเหลือแต่จิตตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อยู่อจะเป็นแบบไหนเราไปบงังคับมันไม่ได้ อ, อย่าไปอยากให้มันเป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบนี้ข้อสาคัญขอให้มันสงบนิ่งแล้วให้มันนิ่งให้ได้นานะดียิ่งนิ่งได้นานเท่าไหร่กําลังอุเบกขาก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นเราต้องอาศัยกําลังอุเบกขานี้มาต่อสู้กับความอยากถ้าจะไม่เป็นอุเบกขานี่สู้มันไม่ได้พอเห็นอะไรแล้วอยากปั๊บนี่มันอ ต้องเอาให้ได้แล้วแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วเฉยได้อยากไปก็อยากไปไม่เอาไม่เฉยเฉยไม่เดือดร้อนเห็นว่าสวยก็สวยไปไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไ ร, ไ ม, ม, ไ ม, นไรมีก็เท่านั้นมีได้มาก็สู้ได้อุเบกขาไม่ได้ไม่มีอะไรจะดีกว่าอุเบกขาถ้า ก็แสดงว่าอุเบกขามันจางไปความอยากเกิดขึ้นแล้วถ้าเราอยากจะให้มันอุเบกขาต่อก็ต้องพุโทโธใหม่ต่อไปหรือแม่งก็ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อที่จะให้จิตนับกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บปวดได้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าพิจารณามันเห็นแล้วมันเข้าใจมันก็จะปล่อยได้มันก็จะเป็นอุเบกขาต่อไปได้อย่างนี้ก็จะเป็นอุเบกขาด้วยปัญญา ต่อไปมันก็จะไม่กลัวความเจ็บะแต่เวลานั่งมันเจ็บก็บางบางทีก็ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ภาวนาก็ก็ไม่เราไปทนมันตลอดเวลาเพราะร่างกายเราก็ต้องอยังดูแลรักษามันอยู่แต่เวลาเราภาวนานี่เราถือว่าเราเข้าห้องสอบตอนนั้นเราต้องต้องปล่อยร่างกายต้องปล่อยเวทนาแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องสอบแค่เรานั่งคุยกันนี้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ขยับมันบ้างก็ไม่เป็นไร เพราะเรายังต้องรักษาธาตุขันไม่มันพี่กลพิการนั่งมากๆมันเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินไม่ใช่ว่าปล่อยร่างกายแล้วทีนี้ก็ให้มันเจ็บไปจนเป็นพิกลพิการไปเนี่ย เ, เพราะถือศีลแปดหรือเปล่าท่านนั่งถือศีลแปดหรือเปล่าแน่เลยถ้าไม่ถือก็ง่วงแน่ คนที่จะภาวนาได้ผลต้องถือศีลแปดก็ถ้าง่วงก็อดอาหารไปเลยอกินแต่น้ำเปล่ากินแต่ของของน้ำก็ได้กินเดือด น, น้ำผลไม้เดือดนมไปมันก็จะไม่หนักท้องแล้วมันก็จะไม่ง่วงแต่ก็ไม่แน่นะ่ถ้านั่งกายมันมีไขมันเยอะๆมันก็ยังจะง่วงได้อาจจะต้องต้องอดไปหลายๆวันมันตึงมันตึงจะหายง่วง ถ, ถ้าอยากจะให้ไม่ง่วง ท, ทันทันทีทันใดก็ต้องไปอยู่ในป่าชาไปนั่งในป่าชานีจะไม่ง่วงอะไปนั่งที่หน้าที่เปียกที่น่ากลัวที่มีสิงสาราสัตว์นี้นั่งรับรอหน้าจะไม่ง่วงเราต้องใช้มาตรการเหล่านี้มาเสริมความเพียรของเราถ้าเราอยู่ในที่สบายที่สุขสบายนี่การ การภาวนานี้จะเป็นไปยากเป็นไปได้ยากเช่นถือศีลห้านี้ยังไม่พอยังดูหนังได้ยังกินข้าวเย็นได้อยู่นี่มันมันก็ถึงเวลาก็อยากจะกินแล้วพอกินแล้วมันก็ง่วงอะะนั่นลพะพราสติเรามีน้อยไง เราไม่ทําสติก็ไว้ก่อนเราไม่สร้างสติไว้ก่อนเราไม่ควบคุมความคิดไว้ก่อนเอจเริญทั้งวันเลยเวลาไหนาที่เราจําได้ก็เฮ้ยตั้งสติไว้นะอย่าอย่าคิดนะพุโทโธพุโทโธนะอย่างเงี้ยเออเ่ินกลับมาแล้วเวลานั่งนี่บางทีห้านาทีสิบนาทีก็จะสงบแล้วสตินี้จึงสําคัญอย่างมากกลับมาเลยอ่าอ่าได้ใครจะไปก็ไปนะแม่น เดี๋ยวออกมาสี่โมงแล้วเงี้ก็ไปได้นะ ว, วันนี้ครูเพลินเอานะขอให้ทุกคนหมั่นตั้งใจทำความเพียร น, นะผลดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคำถามอีกเดี๋ยวครับเป็นพรุ่งนี้ครับ